อ้าวใครไม่อย่างสนทนาได้บัดธรรมชากัจฉาวังหันเมื่อกี้นี่ฟ้องรรมกาเลนะธรรมสวานังทําภาวนาันนี้สนทนาเรียกว่าธรรมชากัจฉา ที่นี้เราคนละทุกข์หลายไ้ไปหากันเราแต่เรื่องทุกข์ให้ฟังทุกข์ก็ว่าทุกข์อย่างล่ะทุกข์เพราะเศรษฐกิจมันบ่ดีหาเงินหาท้องเัินไม่ได้คือความคิดบอกปลูกมั่นก็หวังว่าสิรุ้ย ลูกเสียดพลําคนก็ปลูกซีลอยหาลอยลายมันกับโลง่งยีก อ, อ้ อ, อยเส้าปลูกอ้อยอ้อยพันขึ้นละค่าว่าสันทีนี่ทีนี่ตันละพันซีลอยขุนว่าสันอ้ อ, อยเอ้าพันซีลอยกับยงมันบ่มีมันเส้าปลูกอ้อยปลูกมันหมดเป็นทูน ก, กันอีกอยุ่งสิละ ยัดจังเดยไม่ใสิว่าถูกมาเนี่ย ว, วา้าวบอลว่ายัาาาจังเดยสิว่าถู ก, น, กนัส่สิว่าถูกน้าเศรษฐกิจมันดีว่าดีห <c oughs> ลวงตาค่อยฝันเนี่ยถ้าปีกายปีก่อนเนี่ยฝันฝันว่าประเทศไท ย, ยลาบไปเลย เ, เป็นคือยังพายุพัดน้ำท่วม คือจังแผ่นดินสุดสุดลาบลงมดเหลือจากโคลาดขึ้นมาเนี่ยแต่แถวโคราดเนี่ยสุดลงไปตึกสองสั้นนี่ยอ ม, มขึ้นไปสั้นหนึ่งเดี๋ยวจะสั้นเดียวแถวโคลาดขึ้นมาขึ้นมาพี่จังทั้งอุดรคอนแจนขึ้นมาพี่จังคอยบรสุดธิ์บอเตรียมค่อยบรยุกอ่างเงี ยังวโอ้มันจะอยังงตะกี้กับพี่ยันหน้าเยะว่าแม่ น, น้ำสิท่วมเมืองไทยบ่สุ่มหนึ่งว่าเขาทายว่าเมืองไทยในน้ำสิท่วมออทั้งเรือทะเ ล, ะละเรานนี้เออมันสีแดนเกี่ยวกับการบานการเมืองการเศรษฐกิจการค้าการ ข, า, า, รขายนั่นสิเป็นคือปีสี่ศูนยบ่ที่หน้า แอ บ, บมั่งก็เลยแม่ในเรื่อแบบนี้นเศรษฐกิจการค้าการขายสุดบุญไหว้นี่แต่คนติดปลายขายขี้ดิน <c oughs> ขายแล้วก็ยจะไปยุ่งใจแบบขายขี้ดิน <c oughs> แต่ว่ามันมีบอลออกคนเี้ท่างออกบานเนี่ย มันสิเศร้าทุกได้คือคือยอมรับยอมรับความจรเลยซึ่งมันมีอยู่แล้วกับการมันให้มันมีกันแล้วมันมีก็บจังไสแล้วอันนี้อันนี้กัจังคอยหมุนกันไปคือว่ายอมรับข้อมจริงยอมรับข้อมจริงของความะเทียงอของการข่าการของสมมุติดและต่อไป เพราะมันเป็นสมมุดเนื่อการค้าการขายกันมันเป็นสมมุติถ้าธรรมชาตินั้นมันบ ร, ริเรมีการค้าการขายมันมีแต่เพียงว่าการสาั่งสิ่งที่อาศัยขึ้นว่อย่างตะกร่มีหน้าปูเขาเ่าเดี๋ยวชีวิตเป็นอยู่ด้วยเขา่าด้วยน้าเร่องละด้วยธาตุ มีหน้าปลูกขา้าวมีข้าวกินมีไฮปลูกพริกปลูกเขืออมีหวยน้องข้องบึงมีปูมีปลามีพักน้าพักเน่ก็อยู่กันได้เท่านั้นแหละเห็ดไฮหน้าขา้าวกะบ่กใครได้ขายหอกยังบ้านเสียบ้านเขาจึงมีค่ำเขามีค่ำ อันนั้นเขามีข้าก่อนวะบานไสว่านหัวปลาท้อก่อนเสาเข่าเกาเอาไซมอนพักเขาโคตรท้อคกต้ากินท่น <c oughs> มันงามเข่าก็งามเฮ็ดให้เห็นหน้างามปูปลาก็าหลายมันบร่ได้ขา ย, ยไปไซมอนแท่น เอ็ดปุ๋ยใส่ม่อนพวกเอ็ดสวนม่อนก็อยู่กันได้เก็บป่วยกะนี่หมอหากไม่ยาหากไม่ฝนเนี่ยมันแทบเลยเาต้องได้ใส่เงินท่องสมมุตดนี่มีแต่ใส่ของกิ่งหลดอยู่กับของกิง่กงกับความกิ่งที่นี่มันสมมุติกันหลายสมมุติกันหลายกันเลยทุกกับสมมุติ มันในคิดใจเนี่ยคันไปคิดอยู่มันก็เป็นทุกข์เนี่ยคนก็บอกไว้แล้วว่ะอินาดานางทุกขังโลเกความมีทุกข์ความมีนี่เป็นทุกข์ในโลกทุกข์ที่สุดในโลกเนี่ยทุกข์เพราะความมีนี่เนี่ยนยังมีพุทธภา ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษีเราร่องไว้มันก็เป็นยากันจริงจริงคี่คันเข้ามีนี่มีสินมันสิคิดมันสิปุง้งคิดใจเพรเดียเป็นสุขล่ะ จ้งอะไรยจ้งสิผลแจ้งอะไรแจงสิลดนี่ยจ้งว่าข้อมในในขอ้ขอมไม่หนีเป็นทุกข์ในโลกที่นี่จะว่าให้มันทุกข์ก็คือเพียรหน้าให้มันรู้เข้าใจความจริงของนี่แหละอันนี้จังทุกข์ขังอนัตตาย่อมรับทุกข์พอสมมุติพอมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เข้าใจได้สมมุติแล้ว บ่ามันจะโกงว่ามันจะโกงว่ามันจะพ อ, อ, อ, อหายหายอยู่ในเมื่อมันมีแสวงหาอยู่แสวงหาโดยชอบว่ามันว่าบว่าหาว่าทำกระแสงหาแสวงหาไปงานอันใดเป็นงานที่ชอบกระทำไปถ้าเข้าใจอย่างนี่เละใจกระสิบว่ทุกบาทสืบว่าจะขาดตัวตายผู้ลังคน ให้นีสิ้นไล ย, ลยแต่ทุกข์ไล่หาทางออกว่ถูกขาดตัวตายยิ่งตัวตายทำไรจะคลองตายงา น, นแห้งเป็นการเพิ่มทุกข์ไปอีกเพราะท่านเข้าใจยัง่งความจริงยั่งที่ว่าเนี่ยยั่งรับความจริงเละหาไปตามความสอบทำอีกใดมากก็ใส่ไปะยังซี่มันยังว่าทุกข์แบบ มันยังพอรอถูกอ้าวยังหลานน้อยอยู่ถวาพุทโธพุทโธด้ะพุทโธพุทโธดีพุทโธประจาใจเอาเด่นคุณอิ่มมากเหรอะคือเห็นยางอีนี่ยฮะมากหรอาาวะบ้างไง บอกว่าคือเห็นวังหันว่ามันพานตายนี่แมต้องขึ้นมานางยืนหนีดีกย่าที่ทข้างหลังบอกอ <c oughs> <c oughs> เอาไม่บ่ละ่ะใคยสิถามอยังท <c> ำ <oughs> ยังทำมาเร้่อยจะไปถามไอ้เจ้ได้สสเบหนีแล้ว ภาวนาเลยอะไเรงสิบเนิดนี่นี่ว่ตงสงสารนี่ว่าต้องมาเวียนว่ายตายเกิด่ต้องมาค้มาเคลียว่าต้องมาหาอีกภาวนาเลยละภาวนาพุโทพุูโทพุโทนี่แหละมันลงถึง ใจให้ได้พุโทโธถึงใจแหละคนนี้ได้ละร <c oughs> <c oughs> ุ่นผู้เฒ่ารุ่นผู้อายุหลายหลายว้ยมือนี่ หล่นซุ่มแกวัดแกว่าหลายเสาว่าหลายเสาว่าสูงไว้เกิด น, นั่นเมื่อนั้นไปกราบหลวงปู่วงไปเยี่ยมเพิ่นไปกราบขารวะเพิ่นข้งแรก ไปจาบเข่าเพื่อนวสบายไปครั้งแรกเพิ่งยังนงั่งนั่งคุยนําอยู่แต่ว่ามันยางไม่ได้เพื่นว่าจะไปใช้ต้องนั่งรถเข็นอยไม่อีกว่านั่งอยู่ได้ว่าเพื่นว่าใครสัน้นเพื่อนว่สันส้นเข่าสั้นนัํานี่ไปเยี่ยมอีกไอ้บาที่สอง น, อนันเหมอนเนวอนานั่นวาเว้าอยู่นอน ว่าสิเอาอยาไปถวายแนะนำอาอยาให้สัน่าเพิ่นไอ <c oughs> มาเอาหากไอ้นั่น้ำง้อเลี่ยนน้ำง้อเลี่ยมันแก้ไอยยำเขี้ยวคนนืนแล้วแก่อัยระงับไอเพิ่นแล้วแบโอ้ยรักษาได้ทั้งแต่ปีองค์ลงตาบวมตดัดเพิ่นลาสังขารนุนไสันสองพันหารอยหาชิบซี ฮาิบซี่ตัวหลวงตาล า, า, าสังหารฮาร์ซีฮารนะ์าร์อกฮาร์เกตนะเคห้าแล้วาปีเลยเรักษามาจา่จะผลมันบ่อเศ้าบ่อเนี่ยยังพวกหมอมากอะหมอมาหานี่ยเบอกว่าเอา้าหมอได้สิรักษาเพให้ไอนี่ได้ยังคอยรักษาไปโรงพยาบาลไปโงหมอบ่อไปอยุ่นี่ละ พันกลางคืนมันไอหลายไอยแล้วก็เก็บเจ็บไปน้าโตคือยังเอาอองยังแท่งเก็บไปตามตัวตามร่างกายแล้วขันสันน้ำเข้าไปก็ไอเพราะฉะนั้นอาหารเขาเนี่ต้มมาแล้วต้องกองต้องกองน้ำเขา่ากองบ่หมี่มาให้มันมีเนื้อมั น, ปนไปไหนมายัางไออยู่ย้ำสันย้อเส้า แค่นั่นล่ะองินกัสันนากองนาเข่านอกแค่นั้นกับว่าใครสันนะนำธรรมดาสันแบบมันไปฆ่านัน่มีดอกยาวาสันคนละแต่เลหกาบเลียนคนโอ้ว่าสันให้มันเป็นโลกพัากรรมว่าพูสันันเป็นโลกกรรมบอกจังว่าไม่ยา ร, รัก ษ, ษาโอ้ยกรรมมันเดียวพัยากรรม มันจะเป็นเล็กน้อยกำข้อไกลเฮาสิ่งกำข้อไกลกำข้อไกลสิขาไกลกำข้อมันกำจนมันตายว่ามันตายแล้วก็ลกขนมันเฮาสิ่งลกขนดิบมันลกไม่ได้ลวกน้ําห่อนลกกจนขนมันเบิดลขนมันเบิดไว้ว่าสิ่ ดังไฟต้มนมห้อนว่างไว้ให้ล้านน้อยเฝ้ออันนึงไก่มันขึ้นนั่นก็โซโซัดโ ซ, โ ซ, โซโเโส่ตกเฮียนตกจากสั้นเฮียนไปก็ามาหมอดมาเห็นบาเห็นเน่ะถามล้านเอาไก่ยี่นี่ไปใสโอ้โอ้โอ้เหมืนเล็กน้อยไก่มันดีนนี้ไปแล้วก็เล่นนํา ไว้นั่มมค่อนตีมันฆ่ามันตายพระั่นแต่วันนี้วันเด้ถามเพลินว่ามันเพลินเองหรือว่ามีอีกผู้หนึ่นแหละว่ามันเพลินว่ามันเพลินตีมันตะตีตายนี่แล้วกรรมมันเลยเพราะทนย่าไอเนี่มันสะเก็บแย้มน้ํำตรงถอนคนมันมันก็สิรูสึกเก็บอยู่ตัวมันม้วนตายพักเลยมันมันบกหันใจสื่อกรรมข้อง เป็นกรรมก็เล่นเนีย่ยเพิ่ก็นอนแต่ว่าคู่บายอยู่หันวา่าเพิ่นพระเพิ่นมาคารวาพระองค์เอื่นมาญาติย่อมมาเพิ่นบอบบ๊อบวนี้น้ำได้ไหมเพิ่นดวงตามาเพิ่นบอกน้ำไม <c oughs> <c oughs> ่คือนการบันพราเพิ่นบนอกขึ้นกับลวงตาดวงตากับกรรมข้อไกลาตายเหตุัน ยาเมื่อมันมันเหยียด้เเ้ายา้นยาลองตาตาเกิดคนยหย่ลเทียมันติดติดปั๊บเข้าไปกลืนลนำไส้ไปเกินมากมันยังคอยหันใจลงได้นั่นมันเป็นวิบากตวงตาขาสัดไงกย่าคือขาไกล เลยขาไกลสีโตก้ตอนเศษออกมาบวชนี่กัอายุบหลายเลยก็เันเขาโรงเรียนแต่ว่ามันสงสารสงสารสัตว์สีขาสียังมันสงสารแต่ว่าแม่บอกให้ขาให้เอาไก่มาขาแกงเส้นาาให้ส่งจาเป็นหรือแค่ไหนสงสารมันหรือ ติตีหัวมันแต่สงสารว่ามันสิเก็บอืมเดี๋อามีดเสียดข้อมัน่นแต่สงสารว่ามันสิเก็บเลียกกำข้อเถอะกำข้ อ, ขอจนตายอันนี้กำตายตายเลยจังเอาไปลวกน้ําห้อนจังคอยถอนขนบ่าขคือหลวงปู่ว่าขึหลวงปู่หลวงว่าขึ้นหลวงปู่หลงว ง, <c oughs> ว น, น, ล ง, วงนี่แหละอาตัวที่แรก ตายแล้วมันกัไอมันก็เป็นมันก็เป็นอารมณ์มันก็เป็นความรู้เนีที่เข้าถ้ำเนี่เพราะฉะนั้นคำว่ากรรมมันกับรรใจละเป็นผู้รู้แต่ว่ามันก็เป็นสมมติอันหนึง่งมันบะเป็นใจเข้าแท้หรอกแต่ว่าอาการที่ทําเนี่ยอป็นอย่าว่ากิเลส เป็นเหตุให้ท่ำกรรมกิเลสวัตกรร ม, มวัตวิปาก ว, วัตมันสิหมูลวัตตาสามมันเกิดมันตายอยู่เพราะการท่ำกรรมเนี่ยอยู่ด้วยการท่ำบาปท่ำกรรมมันใจเฮาเสียเป็นผู้หูอ อ, อขามันตายแล้วมัาแกงใสน้ำใบสมกินเขา่าอิ่มไปแล้ว ม, มันก็แล้วไปแล้วมันก็มีเท่านนั้นล่ะอิ่มเท่าเดียวท่านนั่นไม่ได้มาอิ่มอีกหลายเทียร์หลายเนี่ย ต้อมาผ่อนเาบอกใครยอีกละตัวที่สองเนี่ยจับไมเ่เสียใจเนาะผนอนคันกรรข้อมันจิตเพมันจิท้อละมานคันสิตท้ะม่านได้สมิติตายคันสิตตีหัวกระสิเห็นมันกันิเห็นมันเก็บมันดีนได้มือดเมื่อดอจับขาได ไปใกล้ๆเสาเฮีอนพุ่วเฮีอนไฟเสาแก่นลอยมืดๆว่าให้เห็นเอาหัวมันเวียงใส่เลยปะอะ <c oughs> มันก็ตาย <c oughs> แต่ว่ากิตของเฮ้าเนี่ยมันเกิดมีความกล้าในการทำบาปเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละน้อยเมื่อแล้วขาตัวที่สองแล้วก็ยังบอกอีกต่อมา ตัวที่สามเนี่ยตัวที่สามเนี่กล้ากล้าขิงัวกก็ลกขนข้อเอาเอามีดปาดข้อมันปาดข้อเลียดออกเี๋มันก็นตายตลวกน้ำหอนยังมาแล้วตัวที่ซีเนี่ก็ยังมาบอกอีกตัวที่ซีเนี่เสียดข้อมัน นี่เรียกว่าวิธีคิตที่มันสั่งส ม, มัะไรเนี่ยมันจะมันจะเป็นความหยาบในสิ่งนั้นทําบาปถ้าท่ำไปเรื่อยเรื่อยที่แรกแต่นิดน้อยมันสิกล้าขึ้นเรื่อยกล้าขึ้นเรื่อยอถ้าหาว่ามันละมันเห็นมันเห็นโทษมันเห็นความเกิดความขยะขยแยงในการทําบาปในการทรมานเนี่ย มันก็สิละเอียดขึ้นเรื่อยขึ้นกันอี่มันเดี๋ยทำไปแล้วเนี่มันทำไปแล้วมันก็จะให้ผลหรือเดียวะได้รับผลเดินเองผลที่แรกกำข้อหันใจยากอินมันใจยากถ้นต่อไปเนี่ยก็สิถือตีหัวนต่อไปก็สิถือเจาะข้อ <c oughs> ก็สวยกมยังก็สิแล้วว่าจะไปกาเนอะจะไปกล้าจะไปก้าทำบาปละเอาเอาเนาะเรื่องกันเราอันเนว่ามีแน่ทำอะไราก็ได้ ยา น, นารีลัตไม่ทาอะไรบอกวันนี่ห ม, หมดพลังแล้วอ่ะใช่ใช่แต่พลังลจนหมดเฮ้รับแล้วฮะเป็นผู้ทรอมเด อเออเกะบอกเกศอย <laughs> ู่แต่วันมันถึงถ้ำมันถึงพร้อมด้วยกายล่ะมันสำเร็จถึงพร้อมด้วยกายกรรมไม่สมุมดนี่ถึงกายว่าจาใจใจที่ตกลงให้ทํำนั่นละถึงพร้อมด้วยใจกายใจกับกายใจเขาว่าจา กายว่าใจใจนี <c> ่ <oughs> อันเฉพาะใจนั่นก็เป็นกรรมเพอใจมนโนกรรมเนี่ยบาปหลายขกันเล ย, ยากการนึกการคิด <c oughs> ที่พอดี